บ o ๊กทูสามสการขนส่งมวลชนบลิเกฟ r ฟ o ร์ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะวอร์อสติเบสโต้รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองคะ วัตถุบ a สขอน i ที่มีรถตัดดิฉันต้องไปสายไหนคะวัต t Wat er moet die tong t bus m ด e t Waar moet ek neem? ดิฉันต้องต่อรถไหมคะมุดเ e ็กบัสมา e อนเดอรดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะวอร์มุดเอ็กแฝงแอนเตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะคุณต้องลงรถที่นี่ค่ะคุณต้องลงข้างหลังค่ะ อีกหนาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะอีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะอีกสิบห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาค่ะอีกสิบห e านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะรถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะคุณมีตั๋วรถไหมคะ ตั๋วรถหรือไม่มีดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะ e ขีย a กอร i e Nee, น k het g ก e n k a a r นกอร์กงันคุณต้องเสียค่าปรับค่ะตันมุดอีอบุตเบตโต